กับความหมายก่อนที่จะพูดถึงการเอื้อเฟื้อด้วยการให้ปันขอทําความเข้าใจความหมายของคําว่าทานะหรือทานในทางธรรมะเสียก่อนจะได้ไม่ยุ่งคําว่าทานะในทางธรรมะท่านกล่าวถึงหลายแห่งจนเราได้ยินชินหูในฐานะเป็นธรรมะข้อหนึ่งฐานะนี้มีความมุ่งหมายอยู่สองอย่างคือกทานการให้มุ่งฟอกกิเลสในใจของผู้ให้ ขอทานการให้มุ่งการสงเคราะห์ผู้รับทั้งสองความหมายใช้ศัพทานะเหมือนกันและนักศึกษาก็ชอบแปลว่าให้เหมือนกันเสียด้วยเลยทำให้เข้าใจสับสนและชักจะทำให้คนกลัวคาว่าทานเอาเสียด้วยสารายในการให้แก่คนขอทานก็ใช้คำว่าทานให้แก่ประสงค์ก็ใช้คำว่าทานเหมือนกันเลยชวนให้เห็นคุณค่าของทานน้อยไปก็ได้ ความจริงสับๆเดียวกันแต่ความมุ่งหมายต่างกันในที่บางแห่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้บำเพ็ญทานเพื่อกำจัดกิเลสในใจของผู้ให้นั่นเองเช่นทานที่มาในธรรมะหมวดบุญกิริยาวัตถุในวงเล็บคือทานศีลภาวนาและในหมวดบา ร, รมีสิในวงเล็บคือทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาอย่างนี้มีความมุ่งหมายตรงตัวในการชำระกิเลสในใจของผู้ให้ส่วนทานที่ทรงสอนไว้ในธรรมะบางหมวดมุ่งไปในทางให้สงเคราะห์แก่ผู้รับซึ่งเป็นการเสริมความสามัคคีในสังคมคือทำให้คนรักใคร่นับถือกันเป็นสำคัญเช่นคำว่าทานที่มาในธรรมะหมวดสังหาวัตถุ และในทศพิธราชธรรมเป็นต้นในธรรมบางหมวดที่มีความมุ่งหมายควบทั้งสองอย่างท่านแยกสับไว้ต่างกันเลยก็มีเช่นในมงคลสูตรบทว่าดานันจะทำไมจริยาจะยาตการันจะสร้างขโ ho คำว่าทานในบทนี้มุ่งการให้เพื่อกำจัดกิเลสส่วนคำว่าสังคหะมุ่งการสงเคราะห์ไหนไหนก็ได้พูดทางสับทางแสงแล้ว ขอแวะต่อไปอีกนิดเถอะคือในการให้ตามความมุ่งหมายสองอย่างนี้วิธีปฏิบัติแตกต่างกันอยู่บ้างจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้ทานเพื่อกำจัดกิเลสผู้ให้ต้องมีศีลให้แก่ผู้มีศีลยิ่งให้มากๆยิ่งดีเจตนาจะเอาบุญต้องให้ด้วยความนอบน้อมและอื่นๆทานเพื่อสงเคราะห์ จะมีสีนหรือไม่ไม่สำคัญให้แก่ผู้ที่เราจะครองใจให้ของที่ถูกใจผู้รับเจตนาจะเอาความรักเพียงแสดงใจรักต่อผู้รับและอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วเราจะเห็นว่าการให้ทั้งสองประเด็นนั้นความตั้งใจของผู้ให้ต่างกันอยู่คือกการให้เพื่อชำระกิเลสมุ่งปฏิบัติ จ, จิตของตนเอง ขอการให้เพื่อสงเคราะห์มุ่งปรนิบัติใจของผู้รับที่อธิบายตอนนี้ต้องการจะสางความหมายของคำว่าทานให้ผู้ฟังเห็นชัดๆจะได้ติดตามเรื่องด้วยความล่งใจต่อไปโปรดทราบว่าการให้เพื่อครองใจคนหมายถึงการให้ประเภทขออย่างเดียวเท่านั้นนี่พูดให้ทราบกันไว้ก่อน ประเดี๋ยวจะทำให้บางคนเกิดความสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงอธิบายเรื่องทานไม่ทั่วทุกแง่ทุกมุมถึงเวลาทําทานจริงๆตัวผู้ทําเองก็รู้สึกว่าเราทําทานประเภทกอรหรือประเภทขอบางท่านเล่นคลุกกันเลยก็มีเช่นคนทอดกระถินเพื่อหาเสียงความจริงไม่อยากได้บุญอะไรนักหนาแต่ก็ลงทุนทอดกระถินให้ชาวบ้านแถวนั้นรักจะได้ลงคะแนนเวลาเลือกผู้แทน อย่างนี้ก็มีการให้อย่างนี้คงวกเข้าประเภทขออยู่นั่นเองคือจะเอาใจชาวบ้านแต่ให้ทานแก่พระคล้ายๆกับเรารักพี่สาวแต่ซื้อของให้น้องชายของเขาเผื่อน้องจะได้เล่าให้พี่ฟังแล้วพี่เขาจะได้รักเราอยากจะขอเวลาเสนอข้อหน้าคิดอีกนิดหนึ่งจะผ่านไปก็เสียดายคือเรื่องการจัดลำดับ ข้าที่นึกได้ในเวลานี้ทานไม่ว่าจะมาในธรรมะหมวดไหนหรือในลักษณะใดท่านจัดไว้ในลำดับแรกของหมวดนั้นเสมอเช่นในบุญกิริยาวัตถุ3ก็จัดทานศีลและอื่นๆในบารมี10ก็จัดทานศีลและอื่นๆในทศพิตราชธรรม10ก็จัดทานศีลและอื่นๆ และในสังหวะวัตถุสีท่านก็จัดทานปิยวาจาและอื่นๆชวนให้คิดถึงเหตุผลซึ่งก็มีทางที่พอจะคิดได้อยู่เหมือนกันคือทานในธรรมะประเภทมุ่งกำจัดกิเลสที่ท่านวางไว้ลำดับแรกก็เพื่อจับคู่กับกิเลสข้อโลภะคือกิเลสในใจของคนเรามีอยู่สามลักษณะด้วยกัน พระพุทธองค์ก็ทรงวางวิธีปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสไว้สามวิธีตรงการพอดีคือกิเลสโลภะโทสะโมหะวิธีกำจัดทานศีลภาวนาจากหลักนี้จะเห็นได้ชัดว่าที่ทานมาในลำดับหนึ่งก็เพื่อเข้าคู่ปรับกับโลภะนั่นเองข้าพเจ้าจะขอหยุดพูดถึงเรื่องทานประเภทกำจัดกิเลสเพียงเท่านี้ พูดมากจะทําให้เรื่องเขวไปต่อไปจะพูดในด้านครองใจอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับเหตุผลที่ว่าในการครองใจคนทําไมท่านจึงจัดทานไว้ในลําดับแรกด้วยเชิญพลิกต่อไปนี่แหละคือใจคนในการที่จะครองใจคนหรือทําให้คนรักโปรดจําหลักสําคัญอันหนึ่งไว้ก่อน เป็นหลักทางด้านจิตใจจะเรียกว่าจิตวิทยาในการครองใจคนก็ได้คือคนเราทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีความรู้สึกทางจิตใจอยู่อย่างหนึ่งคือความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกอยากได้นี้มีด้วยกันทุกคนและมีประจำอยู่ทุกเวลาเว้นแต่หลับถ้าเราจะพูดว่าความเป็นไปของจิตทุกขณะที่แท้ก็คือความอยากนั่นเองอย่างนี้คงไม่ผิด ท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าในช่วงเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมีบ้างไหมที่จิตพ้นจากความอยากได้เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนอยากลุกขึ้นอยากออกจากห้องนอนอยากเข้าห้องน้ำอยากล้างหน้าอยากบ้วนปากอยากโกนหนวดอยากอาบน้ำอยากรับประทานอาหารอยากสุบรีและอื่นๆจนกระทั่งอยากใหญ่ๆเช่นอยากได้สามี อยากได้ภรรยาอยากได้บุตรอยากฆ่าเขาอยากขโมยอยากกินเหล้าอยากตีหัวอยากดูหนังข้าพเจ้าเองก็นับไม่ไหวและก็ไม่อยากนับถึงท่านเองก็อาจอยากไม่ให้ข้าพเจ้านับก็ได้ดูในเวลานี้ก็แล้วกันขณะนี้เราทุกคนก็ตกอยู่ในความอยากทั้งนั้นกรรมการสมาคมอยากให้ข้าพเจ้าแสดงปาฐกถาข้าพเจ้าก็กำลังอยากพูด ท่านทั้งหลายก็กำลังอยากฟังข้าพเจ้าอยากจะย่อความลงง่ายๆว่าใจของคนทุกคนได้กำลังอยู่ในความอยากทั้งนั้นตลอดเวลาที่เขาตื่นอยู่จะต่างกันแต่ว่าใครอยากอะไรเท่านั้นเองนี่แหละคือใจคนที่ท่านว่าครองใจเขาสิ่งแรกที่สุดและสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องทราบก็คือความอยากในใจของเขานั่นเองคาว่าครองใจคนนั้น หากจะพูดเสียใหม่ว่าครองความอยากของคนก็เห็นจะไม่ผิดความอยากนั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทรมานใจทุกครั้งที่มีคนมาหาท่านจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่ใดๆก็ตามท่านจะต้องรีบเดาใจทีเดียวว่า <c oughs> เขากำลังไม่สบายคือกำลังมีความอยากอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในใจหรืออาจมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ อย่างน้อยที่สุดก็อยากพบปะสนทนากับเราลงได้บ่ายหน้ามาหาเราแล้วที่จะไม่อยากอะไรเลยเป็นไม่มีแล้วไม่มีเด็ดขาดและก็ต้องทราบได้ด้วยว่าคนที่กำลังอยากนั้นพร้อมที่จะรักคนที่เห็นใจเขาอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รับรู้ว่าเขากำลังอยากและช่วยทำให้เขาหายอยากนี่คือจิตวิทยาชั้นแรกในการคลองใจคน ก็เพราะคนเราทุกคนเอาความอยากออกหน้าวิธีครองใจคนท่านจึงวางทานไว้ในลำดับแรกที่สุดเพราะโรคคือความอยากนั้นมีวิธีรักษาได้อย่างเดียวคือรักษาด้วยการให้นักครองใจคนที่เก่งที่สุดที่แท้ก็คือหมอรักษาโรคอยากได้ดีที่สุดนั่นเองวิธีให้เพื่อครองใจทานในสังหาวัตถุ แปลว่าการให้ปันคือแบ่งปันให้ไม่ใช่ให้เฉยๆการแบ่งให้หรือปันให้เรียกว่าให้ปันการให้อย่างนี้เป็นเครื่องแสดงน้ำใจโอบอ้อมอารีเท่านั้นไม่ใช่จะให้จนเราหมดเนื้อหมดตัวหรือให้จนเขาร่ำรวยไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้ที่บ้านเราแกงไก่หม้อหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาชามใบย่อมย่อมสักใบหนึ่ง มาตักแกงแบ่งให้บ้านใกล้เรือนเคียงสักสองทับพีเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าปันให้ไม่ใช่ว่ายกไปให้เขาหมดทั้งหม้อให้เขาหมดแล้วเราจะกินอะไรที่บ้านเรามีน้ําอยู่สิบตุ่มเวลามีแขกมาที่บ้านเราเอาแก้วตักมาให้แขกดื่มสักแก้วหนึ่งนี่ก็ให้ปันในกระเป๋ามีบุหรี่อยู่10บมวนควักให้เพื่อนสูบสักมวนหนึ่ง นี่ก็ให้ปันทีนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจวิธีการให้ปันตามในแห่งสังกหาวัตถุแล้วและก็คงจะรู้สึกว่าทานก็ไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจอะไรนักหนาไม่ถึงกับจะต้องคอยให้ถูกหวยเบอร์สิ่ก่อนจึงจะคิดทำเรามีไม้จิ้มฟันอยู่สองอันแบ่งให้เพื่อนจิ้มสักอันก็เป็นการให้ปันเหมือนกันผลของการให้ปันแต่ปัญหาเรื่องการให้ ถ้าจะว่าข้างยากก็มีความยากอยู่ในตัวยากกว่าการรับเพราะตามธรรมดาจิตใจของคนเราเมื่อหาอะไรมาได้ไว้เป็นของตัวแล้วก็ห่วงความห่วงนั้นเป็นศัตรูกับการให้เมื่อลงได้ห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ของที่ห่วงไว้นั้นความจริงก็ห่วงไว้สำหรับตัวเองคือเห็นแก่ประโยชน์ตนที่ไม่สมัครให้ก็เพราะรู้ว่า การให้นั้นเป็นการทำลายประโยชน์ตนมีแต่ไปพอกภูลให้คนอื่นคิดเสียอย่างนี้แล้วก็เลยไม่อยากให้เก็บไว้กินคนเดียวดีกว่าแต่ถ้าคิดตามหลักเหตุผลแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศาสนิกชนบำเพ็ญทานคือให้แบ่งปันของขอ ง, ของตนแก่คนอื่น <c oughs> ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้นั่นเองคือเป็นการช่วยตัวคนนั่นแหละนี่เป็นความมุ่งหมายตามพระพุทธประสงค์ พิจารณาถึงผลการให้ตามความมุ่งหมายของสังหาวัตถุคือการให้ปันผู้ให้ได้ผลถึงสองชั้นได้ผลชนิดที่ว่ากำไรงามเสียด้วยยากที่จะไปลงทุนลงแรงทาอย่างอื่นให้ได้เปอร์เซ็นต์ผลกำไรเท่ากับการให้ปันได้ผลสองชั้นนั้นคือก็ได้ความรักจากผู้รับและขอได้อามิตตอบแทนผลประการแรกที่ว่า ได้รับความรักจากผู้รับนั้นหมายความว่าทําให้ผู้รับเกิดความรักขึ้นในตัวผู้ให้แต่ข้อที่แน่ที่สุดคือทันทีที่ให้ผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับคือได้ความรักเพราะทุกคนกําลังป่วยด้วยโรคอยากอยู่แล้วและมีความรักพร้อมที่จะจ่ายให้ทุกคนที่ทําให้เขาหายอยากของที่ให้กันด้วยอัธยาศัยไมตรีมันเป็นของแปลก คือของอย่างนั้นมันเป็นของเคลือบด้วยน้ำใจจึงเกิดเป็นของมีริสต่างจากของที่ซื้อมาด้วยเงินทองอย่างเราซื้ออาหารรับประทานจะเป็นของอร่อยอย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานเสร็จแล้วชำระเงินให้คนขายตามราคาแล้วก็เดินออกจากร้านไปไปแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงคนขายเฉยเฉยเสียก็ได้เพราะของที่ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนอย่างนี้เป็นของไม่มีริ แต่ถ้ามีใครเขาใจดีให้แกงมาเปล่าๆชามเดียวเท่านั้นเราจะรู้สึกว่าค่าของมันไม่ใช่เท่ากับแกงหนึ่งชามเสียแล้วเวลารับประทานเราจะรู้สึกว่ามันมีรสอะไรอย่างหนึ่งแฝงเข้าไปในปากพร้อมๆกับรสแกงคือเรากินน้ำใจของผู้ให้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดมีฤอริทําให้เราคิดถึงคนให้และรู้สึกรักคนให้ขึ้นมา ยิ่งถ้าผู้ให้มีอะไรอะไรกันอยู่ด้วยรถน้ําใจก็ยิ่งแรงกว่ารถแกงอีกหลายเท่าแปลกไหมท่านเคยถูกของมีฤทธิ์มาบ้างแล้วทุกคนไม่ใช่หรือผ้าเช็ดหน้าอย่างดีๆซื้อมาเองจากภารัฐตั้งโหลหนึ่งฤทธิ์ของมันสู้ผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยๆผืนเดียวที่มีใครเขาให้เปล่าเปล่าไม่ได้ยิ่งถ้ามีปากอะไรอะไรไว้ที่มุมสักนิดหน่อยก็ยิ่งมีฤทธิ์แรงขึ้นไปอีก ควักขึ้นมาทีอะไรใจมันมวูบวาบชบกนใช่หรือไม่ดอกกุหลาบตั้งกรรมมือหนึ่งซื้อมาเองจากบางลาพูสุดจะงามแสนจะหอมแต่ก็สู้ดอกกุหลาบเล็กๆดอกเดียวที่ใครคนหนึ่งฝากมาให้ไม่ได้สีก็ดูสดกว่ากลิ่นก็ดูแรงกว่ากลีบก็ดูจะมีความหมายกว่ามันอาจมีอำนาจอะไรดนใจเราให้รำพึงรำพันถึงคนให นี่แหละฤทธิ์ของวัตถุที่ให้ด้วยไมตรีดนใจผู้รับให้นึกรักผู้ให้ดูกันใกล้ๆแค่การมาฟังปากฐกถานี้ก็ได้พอเรามาถึงเข้านั่งที่เราหน้าที่ของยุวพุทธิกะสมาคมก็ยกน้าแข็งใส่ยาอุไทยมาให้เราพอเขายื่นมาให้เราก็รู้สึกขอบใจและรักยุวพุทธิกะสมาคมทันที นี่เพียงน้ำแข็งใสาย า, าอุไทยนะถ้าต่อไปเกิดแจกโอเลี L ้ยงสักคนละแก้วคนละแก้วด้วยเราจะยิ่งรักมากกว่านี้ทางมุมกลับเมื่อการให้เป็นยาเสน่ห์การตรหนีหวงกินคนเดียวก็เป็นยาชังท่านที่ยังหนุ่มลองดูก็ได้ถ้าท่านไปคุยกับคู่รักซื้อขนมไปสักถุงหนึ่งเวลานั่งคุยปากก็บอกว่าผม C, รักคุณผมรักคุณ แต่แล้วปิดถุงขนมก้มหน้ากินมันคนเดียวอย่าเรียกคู่รักกินด้วยเขาจะรักเรามากขึ้นหรือไม่เหมือนซิเถผลประการที่สองที่ว่าได้อามิตตอบแทนนั้นอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าผู้ให้จะได้กระทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังอะไรตอบแทนก็จริงแต่วิถีทางของการส่งเครือย่อมเป็นอย่างนั้นเพราะว่า การแบ่งปันของของเราให้แก่คนอื่นย่อมเป็นการลงทุนในตัวอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีมะพร้าวอยู่ผลหนึ่งถ้าเราสองคนผัวเมียผ่าขูดแกงกินเสียวันนี้เราก็ได้กินมะพร้าวอร่อยดีและอิ่มดีเหมือนกันแต่เราได้กินมะพร้าวลูกเดียวทีนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นวันนี้เราผัวเมียตกลงกันยอมอดไม่กิน แล้วเอามะพร้าวลูกเดียวของเรานั้นลงฝังดินไว้รดน้ำใส่ปุ๋ยพอสมควรอยู่ๆไปจเจ้ามะพร้าวลูกนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ออกลูกมาให้เรากินเป็นจำนวนหลายสิบผลและเป็นเวลานับสิบสิบปีมะพร้าวหลายสิบผลที่เราได้นั่นเองการแบ่งปันของให้คนอื่นก็เหมือนกันมันเป็นผลงอกเงยขึ้นมาได้หลายสิบเท่าโบราณท่านก็สอนว่า เมื่อหมูไปไก่ก็มาซึ่งหมายความว่าการให้ปันย่อมทําให้เกิดการตอบแทนว่ามาถึงตอนนี้เล่านิทานสั้นๆฟังกันสักเรื่องดีกว่านิทานเศรษฐีหาลูกสะภ้ยมีเรื่องเล่า ว, ว่าเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีมากแต่มีลูกชายอยู่คนเดียวกําลังเป็นหนุ่มและท่านเศรษฐีก็แก่เท่าลงทุกวันทุกวันจึงคิดอ่านอยากจะให้ลูกชายได้แต่งงานเศรษฐี จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแต่การหาหญิงมาเป็นลูกสะพ้ยนั้นท่านเศรษฐีตั้งใจว่าจะต้องหาหญิงที่ฉลาดในการครองเรือนมิฉะนั้นจะมาผลานสมบัติเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงตกลงหาลูกสะพ้ยโดยมีการเลือกคุณสมบัติตามที่ต้องการวิธีการของท่านเศรษฐีแปลกอยู่หน่อยคือเปิดการสอบคัดเลือกชิงตำแหน่งลูกสะพ้ยเศรษฐีขึ้นโดยต้องการบรรจุเพียงหนึ่งตแหน่งเท่านั้น ส่วนข้อสอบท่านเศรษฐีออกเองข้อสอบมีอยู่ข้อเดียวคือถามว่าเรามีปลาอยู่ตัวเดียวทำอย่างไรจึงจะกินได้ตลอดปีท่านผู้ฟังลองนึกตอบดูบ้างสิเพื่อใครเขานึกขลังจะสอบเอาลูกเขยลูกสะใภ้ขึ้นมาบ้างจะได้ลองสอบแข่งขันดูพอะลูกชายจำเอาข้อสอบได้แล้วก็ตระเวนไปเที่ยวถามผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนใดท่าทาง ที่เป็นที่ต้องตาต้องใจก็เข้าไปถามดูว่าคุณคุณพ่อให้มาถามว่าเรามีปลาอยู่ตัวเดียวทำยังไงจึงจะกินไปได้ตลอดปีอ๋อง่ายนิดเดียวเราก็ทำปลาร้าไว้สิแม่คนหนึ่งตอบตกไม่ยากไม่ยากทำเค็มไว้สิคนสวยอีกคนตอบตกอีกลูกชายเศรษฐีเที่ยวตะเวนไปจนเหนื่อยอ่อน ตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตอบว่าอย่างไรจึงถูกมีใครตอบว่าอย่างไรก็จําเอามาบอกคุณพ่อผลที่สุดก็สอบตกกันเป็นแถวๆทําปลาระปลาเจา่าปลาแห้งปลาเค็มไม่ถูกทั้งนั้นเพราะมันปลาตัวเดียวเท่านั้นต่อให้ทําเค็มเท่าไหร่เท่าไรมันก็หมดครั้นลูกชายเศรษฐีตระเวนไปถามไปก็ไปเจอหญิงแก้วเข้าคนหนึ่ง แกตอบว่าทาได้คือเอาปลาตัวนั้นมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนหลายๆท่อนแล้วเอาท่อนหนึ่งไปให้บ้านป้าอีกท่อนหนึ่งไปให้บ้านน้าบ้านเพื่อนบ้านพี่แจกจ่ายแบ่งปันไปเราผัวเมียกินท่อนเดียวก็พอโดยวิธีนี้ปลาตัวนั้นจะช่วยเราได้ตลอดปีพ่อหนุ่มลูกเศรษฐีนำความไปบอกคุณพ่อ ท่านเศรษฐีได้ยินคำตอบก็ปรบมือหัวเราะกากด้วยความดีใจตกลงแม่คนนี้สอบได้และได้ครองตำแหน่งลูกสะั้ยเศรษฐีจริงของเขาไม่ท่านปลาท่อนเดียวที่มันถูกส่งแยกย้ายไปอยู่บ้านกับคนอื่นนั้นมันเป็นของมีริษใครกินมันเข้าไปแล้วมันจะคอยสกิดหัวใจคนนั้นอยู่เป็นปีๆให้คิดถึงนายเก่าของมันแล้วก็อยากจะให้อะไรแก่เขา ในวงเล็บผู้ให้แล้วผลที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปลาท่อนเดียวเท่านั้นมันอาจกลับมาเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นผักและเป็นอะไรอะไรก็ได้แปลกไหมท่านตึกตรองดูให้ดีๆแล้วการให้ปันเป็นงานหน้าทำจริงๆเป็นงานที่ให้ผลประหลาดประหลาดของที่เราแบ่งปันให้เขาถ้าดูกันให้สุดต้นสุดปลายแล้วก็คือให้เราั่นเอง คล้ายๆกับเราให้น้ําให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ให้ไปให้ไปต้นได้ก็ให้ดอกให้ผลแก่เราและผลที่ได้ก็งอกเงยขึ้นอีกเป็นทวีคูณเพราะเหตุนี้แหละนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าคนโง่ไม่แบ่งปันใครเพราะกลัวจนแย่ก็เพราะกลัวจนคนฉล า, าดจึงแบ่งปันการแบ่งปันซึ่งเรียกว่าฐานะใช้ในการยึดเหนี่ยวน้ําใจผู้อื่น ให้บุคคลทุกชั้นทุกเพศทุกวัยสำหรับสามัญชนทั่วไปพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสังขาวัตถุซึ่งข้าพเจ้ากาลังอธิบายอยู่นี้สำหรับบุคคลชั้นสูงคือชั้นเจ้าคนนายคนทรงแสดงไว้ในลำดับที่หนึ่งของทศพิธราชธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ข้อสำหรับในวงบรรพชิตในวงเล็บนักบวชได้ทรงแสดงไว้ในสารานิยธรรมคือ วิธีปฏิบัติระหว่างพระสงฆ์ที่จะให้พระรูปอื่นระลึกถึงได้แก่ข้อที่ว่าแบ่งปันลาบที่ตนได้มาแล้วโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวเมื่อรวมความแล้วก็ยึดหลักแบ่งปันของให้แก่คนอื่นเพื่อยึดเหนี่ยวน้าใจเขานั่นเองเพราะฉะนั้นการให้จึงเป็นพุทธวิธีครองใจคนอย่างสาคัญข้อหนึ่ง นอกจากการให้ของกินของใช้แล้วการให้อื่นๆเช่นให้ที่นั่งให้ทางเดินให้ความรู้ให้ยานพาหนะให้ที่พักอาศัยก็อนุโลมกับการให้ที่กล่าวมาแล้วและเป็นวิธีครองใจคนเหมือนกันเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ 6. กบิยวาจา การเอื้อเฟื้อด้วยการให้ที่อธิบายมาแล้วเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเราต้องมีของจึงจะให้คนอื่นได้ถ้าของไม่มีก็ทำการเอื้อเฟื้อไม่ได้แต่การเอื้อเฟื้อที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดอยู่นี้ไม่ต้องลงทุนจะมีบ้างก็เพียงลงแรงนิดหน่อยเท่านั้นผู้ทำการไม่มีอะไรสิ้นเปลืองเปียาวาจาแปลว่าเจรจาคำน่ารักโดยความหมายคือใช้คาพูดที่น่ารัก คำพูดเป็นของที่มาด้วยกันทุกคนพูดได้ทุกคนถ้าจะเว้นบ้างก็จะเห็นมีสักสองคนคือคนใบ้กับคนเกิดใหม่นอกนั้นผู้ใ ด, ดทั้งนั้นคำพูดเป็นอัคคยาสมบัติคือใช้ไม่รู้จักหมดไม่ต้องซื้อหาตราบใดที่ยังมีลมออกจากปากได้ก็ยังพูดได้รัฐบาลก็ไม่เก็บภาษีอากรจะแจกจ่ายให้คนอื่นก็ทาได้รวดเร็วทันท่วงที ง่ายกว่าการควักบรให้สูบเสียอีกเพราะคำพูดที่เป็นของที่ทำได้ง่ายและหามาได้ง่ายๆยอย่างนี้คนจึงไม่ค่อยจะสนใจในคำพูดนี่ข้าพเจ้าพูดถึงคนทั่วไปที่ไม่ไดสไ้สนใจการที่ไม่สนใจก็เพราะเห็นว่าคำพูดเป็นเพียงลมปากไม่สำคัญอะไรถูกคำพูดเป็นเพียงลมปากแต่ถ้าจะพูดด้วยกันด้วยเหตุผลแล้วสารพัดลมในโลก ไม่ว่าจะเป็นลมว่าวลมบกลมทะเลจนกระทั่งลมใต้ฝุ่นลมอะไรๆก็ไม่มีฤทธิ์เท่าลมปากลมที่ออกจากปากคนไม่ว่าจะออกมาในลักษณะหัวเราะร้องไห้ร้องเพลงพูดไอจามเรอหาวถ้าเจ้าของปากไม่รู้จักระมัดระวังมีหวังเสียจะเสียตัวเสียชื่อเสียคนหรือเสียชีวิตอาจเป็นได้ทั้งนั้น ในบรรดาลมที่ออกมาจากปากด้วยกันลมที่ออกมาเป็นคำพูดเรื่องมากกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นลมที่ปรุงขึ้นด้วยความคิดนึกของผู้พูดคำพูดของคนที่เราพูดกันไปมาอยู่ทุกวันนี้มีอยู่สองประเภทคือคำพูดที่พูดแล้วทำให้คนฟังรักคนพูดเรียกเปียวาจาคำพูดที่พูดแล้วทำให้คนฟังเกลียดคนพูดเรียกว่าอปิยวาจา คำพูดที่จัดเป็นปิยวาจาอปิยวาจาในที่นี้มุ่งเพียงว่าเมื่อคนฟังเขาได้ฟังคํานั้นแล้วเขารักหรือเกลียดคนพูดเท่านั้นยังไม่ต้องคํานึงถึงว่าพูดเท็จหรือพูดจริงซึ่งเป็นความหมายของกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบดข้าพเจ้าว่าในการบรรยายนี้น่าจะได้พูดถึงคําพูดที่ทําให้คนฟังเกลียดให้มากๆสักหน่อยจะได้ความทางปฏิบัติ ชัดกว่าคำพูดอีกด้านหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังก็โปรดทราบคำพูดที่น่ารักก็ตรงกันข้ามนั่นเองลักษณะคำหยาบคำพูดประเภททำให้คนฟังเกลียดขี้หน้าคนพูดรวมเรียกว่าคำหยาบวิธีพูดคำหยาบทำได้หลายอย่างคือด่าประชดกระทบแดกดันสบทดด่าคืออย่างไรคือพูด กดลงให้ต่ำกว่าชั้นเชิงที่เขาเป็นจริงเช่นเขาเป็นคนว่าเขาเป็นหมาเขาเป็นหัวหน้าว่าเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นรัฐมนตรีว่าเขาเป็นผานโรงเขาเป็นนายว่าเขาเป็นขี้ข้านี่เรียกว่าด่าวิธีด่านั้นยิ่งว่ากดลงต่ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นเช่นเขาเป็นอธิบดี ว่าเขาเป็นผานรอ ง, งอย่างนี้เรียกกดลงไปต่ำมากคนถูกด่าจะรู้สึกเจ็บแสบมากแต่ถ้ากดลงเพียงนิดหน่อยอย่าถึงกับให้อึดอัดมากเช่นเป็นอธิบดีถูกด่าว่าเป็นรองอธิบดีอย่างนี้ดูค่อยยังชั่วพอทนได้การกดให้ต่ำลงอย่างนี้เรียกว่าด่าประชดคือพูดยกให้สูงขึ้นเกินกว่าภูมิชั้นของเขาเช่นเขาเป็นคน ว่าเขาเป็นเทวดาอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันว่าพ่อเทวดาพ่อมหาเศรษฐีหรือพ่ออาเสียแม่คุณนายแม่ผู้ดีคำเหล่านี้เป็นคำประชดคือพูดยกให้สูงลอยยกสูงนักคนเราก็ไม่ชอบเหมือนกันมันว้าเวกระทบคือตั้งใจจะว่าให้มันเจ็บนั่นแหละแต่ไม่ว่าต่างๆ พูดไปเสียทางโน้นให้มันมีอันกระทบมาทางนี้เช่นจะว่าคนสูงย่องก็พูดถึงเสาชิงช้าหรือจะว่าคนเตี้ยตะปุ๊กลุกก็พูดถึงไหอยกระเทียมหรือจะว่าควบกันเช่นเห็นคนสูงกับคนเตี้ยรักกันเราก็ว่าไหากระเทียมคลึงเคล้าเสาชิงช้าอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะว่าคนผมน้อยก็พูดถึงตะวัน หรือพูดถึงจำนวนมากๆตั้งแต่สิบแสนขึ้นไปหรือพูดถึงอะไรเลื่อนๆลื่นตีนเตียนใสใสก็ได้พูดอย่างนี้เรียกว่าพูดกระทบคำพูดประเภทนี้เวลาฟังทีแรกถ้ายังไม่คิดก็เฉยเสยแต่ถ้าเอาไปคิดพอคิดขึ้นได้มันให้รู้สึกทั้งเจ็บทั้งขันคำพูดว่ากันด้วยคำหวานก็เห็นจะจัดเข้าประเภทคากระทบนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะคนถูกว่ารู้สึกเจ็บใจทีหลังต่อเมื่อคิดได้เช่นมีเรื่องเล่าว่ามีพระหลวงตารูปหนึ่งเป็นคนอ้วนลงพุงลักษณะเป็นคนพุงโตเย็นวันหนึ่งท่านกำลังกวาดใบโพอยู่ที่ลานวัดขณะนั้นมีตาคนหนึ่งผ่านมาแกเป็นคนขี้ยั่วคนพอเดินผ่านหลวงตาก็ยกมือไหว้แล้วถามว่าหลวงตาครับคาว่าพุงโต เขาแปลว่ายังไงพอยั่วให้หลวงตาคิดแล้วก็รีบเลยเข้าไปในระแวกบ้านฝ่ายหลวงตาก็กวาดไปคิดไปผลที่สุดนึกขึ้นได้ก็รีบถลันพรวดตามเข้าไปหาตาคนนั้นในบ้านทาั้งทั้งที่จีวอไม่ได้ครองพอตามไปเจอตัวเข้าก็เอาด้ามไม้กวาดตีหัวตาคนนั้นปอกพร้อมกับอุทานว่านี่เนี่พุงโตคาพูดประเภทนี้ ก็คงจะอนุโลมเข้าคำพูดกระทบด้วยแดกดันเป็นถ้อยคำธรรมดาธรรมดานี่เองแต่คนพูดพูดด้วยเจตนาจะแดกดันให้คนฟังไม่สบายใจเช่นจะบอกให้กินข้าวก็บอกว่าแดกเข้าไปสิเชิญสียะและคำอื่นๆอีกมากคำพูดแดกดันนี้จะยกมาแสดงเป็นคำเป็นํำไม่ได้เพราะคำอะไรๆก็ใช้แดกดันได้ ในเมื่อผู้พูดเจตนาจะแดกดันเพียงแต่พูดกระแทกเสียงและเบ้ปากให้ผิดปกติหน่อยเท่านั้นสบดคือคำแช่งชักหักกระดูกต่างๆเช่นเรียกหามากินเรียกผีลงมาและคำพูดแช่งให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอันเป็นไปต่างๆเช่นคาดขันว่าถ้าเป็นจริงให้เกอออกลูกเป็นลิงห้าร้อยชาตินะหรือว่า ให้เกิดเป็นจุดๆให้ตกนรกอเวจี G, ให้คอพอกหรือให้มีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าสบทแต่บางทีคนพูดสบทตัวเองก็มีก็เพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่นใจพูดคำเหล่านี้ที่เรียกว่าคำหยาบก็เพราะมันเป็นคำที่ไม่ละเอียดแต่ที่ว่าหยาบหรือละเอียดนั้นเอาเจตนาของผู้พูดเป็นเกณฑ์คือถ้าผู้พูด พูดด้วยเจตนาหยาบแม้จะใช้คำพูดอย่างไรอย่างไรก็จัดว่าพูดคำหยาบถ้าเจตนาไม่หยาบก็ไม่เรียกว่าพูดหยาบคำบางคำใช้ในบางท้องถิน่นถือว่าเป็นคำหยาบแต่ไปใช้ในบางท้องถิ่นก็ไม่หยาบยกตัวอย่างเช่นคำว่ามันแกกูมึงข้าเหล่านี้เป็นต้นในบางถิ่นถือว่าคาว่ามันเป็นคาหยาบแต่ในบางท้องถิน่น เขาใช้กันอย่างธรรมดาข้าพเจ้าเคยไปต่างจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วแวะไปเยี่ยมคำนับข้าหลวงประจำจังหวัดในวงเล็บสมัยนั้นเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดว่าข้าหลวงไปพบคนใช้ที่จวนจึงถามว่าท่านอยู่ไหมแกตอบว่าไม่อยู่ครั้นถามว่าท่านไปไหนแกบอกว่าไม่รู้มันแล้วถามว่าไปกับใครเขาก็บอกว่า มันไปกับเมียมันหมดท่าแต่รู้เรื่องกันเสียแล้วก็ไม่ถืออะไร